ที่ต้องหมุนไปตามหลักแห่นธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการมาศึกษาจริงไม่ควรนิ่งนอนใจในขณะที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัต และการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยผิดหวังมาหลายครั้งหลายหนแล้วสำหรับผู้หวังพึ่งพิมพ์ครูอาจารย์เนียวองค์นั้นผ่านไปองค์นี้ผ่านไปดูเรื่อยๆไม่มีการหยุดยั้ง แม่ตัวของเราเองก็จะต้องผ่านไปเช่นเดียวกันซึ่งไม่มีอะไรเหนือกว่ากันไปเลยเมื่อมีโอกาสนั่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติะศึกษาอารมจากคูจากอาจารย์อยู่เราก็ควรจะตักตวงให้พอเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสาระอุ่น เป็นที่ยืดเหนี่ยวภายในจิตใจของตนได้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ให้ปล่อยภายนอกโดยหลักธรรมชาติเพราะความเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการได้เห็นได้ยินได้ฟังการศึกษาอบรมเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อถอดถอน สิ่งที่เป็นไทยก็หมดไปหมดไปเพราะทำเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้มีความอิ่มพอได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความพอตัวท่านผู้ได้ปฏิบัติ ด, ดีก็เป็นเรื่องของท่านการปฏิบัติ ด, ดี ที่สำคัญก็คือเรื่องของเราความชั่วอยู่ในใจในตัวของผู้ใดก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าที่เป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มแทงหัวใจอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่เห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่หนักแน่นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อกาจัดเสี้ยนน้ำ ดิแหลมเล้าที่ทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจตลอดมานี่ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยความเห็นไถยนี่เป็นความถูกต้องชอบธรรมท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ผมก็เคยได้พูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วผมรับนี้ไม่ใช่รับด้วยอำนาจวาสนาบุญญาพิชทานว่ามีกว้างมีความ ม, วา ม, ม, วา ม, มีลึกมีซึ้งอะไร สำหรับตัวของป้อมเองไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยดูปกติธรรมดาธรรมดาตามสภาพของเจ้าของแต่ที่รับก็เพราะความเห็นใจความสงสารได้แยกแยะจิตใจของตนออกเทียบเทียมกับหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมเกี่ยวกับเรื่องครูเรื่องอาจารย์ผู้ให คำแนะนําสั่งสอนเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงใจทั้งการได้เห็นได้ยินได้ฟังการพิจารณาใส่ตรองตามไม่ขัดแย้งต่อจิตใจเพราะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินในฝั่งนั้นไม่ขัดแย้งต่อทำต่อวินัยการที่เสาะแสวงหาครูอาจารย์นี้เป็นที่แน่ใจแล้วปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในตนนั้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากเศแสวงเสียแบลบแฉบตายดีไม่ดีไม่เจอเลยล้มเหลวไปเช้เฉยต่อหน้าต่อตาเราเพราะสิ่งตอบแทนความมุ่งหวังของเราความมุ่งหมายของเราไม่มีถึงมีเราก็ไม่พบไี่เจอท่านเสีย ผลประโยชน์นี้ปลดล้มเหลวไปได้ตามที่ผมได้เคยพูดเสมอว่าเศษแสวงหาขู่หาอาจารย์นะผมเนี่ยเศษแะ ส, ะสะแวงหามากต่อมากเพราะเราไม่ไดตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างธรรมดาธรรมดาแม้จะตัวเท่าหนุ่ยก็าตามการตั้งความมุ่งมุ่งหมายไว้่านในใจนี้ตั้งไว้อย่างสูงสุดทีเดียว คือวิมุตติพ้นเท่านั้นทั้งนี้เนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินตามพระประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินเย้ยนไว้ตามตำหรักตำลาเมื่ออ่านแล้วเกิดความซึ้งใจความรู้สึกในตอนก่อนบวชหรือตอนต้นบวช กค่อยเจาะจางไปจางไปจนปลายเป็นความล้มไปหมดค่อยความรู้สึกเหล่านั้นและมีความหนักแน่นต่อผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นท่านได้รับมาประกาศสอนโลกแม้เรียนหนังสือก็เรียนด้วยความมั่นใจที่จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้น นี่เป็นเหตุให้ตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงสุดการตั้งความ <c oughs> มุ่งหมายไว้อย่างสูงสุดเหตุใดการสอบแสวงหาครูาอาจารย์หรือการประพฤติปฏิบัติจะไปทําแบบสูงสี่จุ่มห้าลุ่มลุ่ ม, มดอนดอนเป็นไปไม่ได้เข้ากันไม่ได้กับเจตนาเช่นนั้นจึงต้องสอบแสวงหาจริงๆทําให้สนิทใจก็ไม่อยู่ จนกระทั่งถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเหล่าทาั้งที่ก็ร่ำลือ ว, ว่าท่านนี้เอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวดุดาว่ากล่าวไม่มีใครเสมอพูดง่ายไม่มีใครเหมือนทั้งอุบายการแนะนําสั่งสอนทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจท่านไม่มีใครเหมือนเท่าที่ได้ทราบมาจึง ในมุ่งมั่นที่จะให้ไปพบได้เห็นท่า น, นสมใจที่มุ่งอย่างแรงกล้านี้เอเมือกไปถึงท่านแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจความคาดความหมายตามที่เคยได้ยินได้ฟังมานั้นไม่ผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่น้อยจิงเป็นที่ประทับใจตั้งแต่ขณะที่ได้ยินที่แรกเรื่อยไปเพราะ ศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทาหูทางตาได้ยินได้ฟังได้เห็นนามาคิดมาแต่ตรองทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจลงใจได้ทุกระยะระยะหาที่จะบคัดค้านต้านทานไม่ได้แม้กิเลส จ, จะมีเต็มหัวใจแต่ความมุ่งหวังต่อธรรมก็มีเต็มหัวใจเช่นเดียวกันจึงมีน้ําหนักไปตามความกิ่งที่หาที่ค้านไม่ได้นั้น ินกระทั่งท่านได้รุ่ร่วงไปบรรดาพระทั้งหลายพระเนนทั้งหลายละสัมละสายวุ่นวายกันแ่จะพูดได้ว่าเป็นประวัติการของพระโดรงกรรมฐานสายท่านจารมั่นนี้ก็ได้เพราะขาดที่พึ่งขาดหลักใจขาดล่มโพลมใส่ทั้งๆที่ธรรมของพรโบเตเจ้าก็มีอยู่ แต่เมื่อยังต้องคลึงพลึงอินสัยนครัาจารย์แล้วครัวจารย์จึงเป็นเรื่องสําคัญอยู่มากภายในจิตใจเวลาท่านพระพักจากไปสิ่งที่เคยได้เห็นก็จะไม่ได้เห็นสิ่งที่เคยได้ยินไม่ได้ยินสิ่งที่เราเคยสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแต่เราซึ่งท่านเป็นเหมือนล่มโพล่มใสก็ประหนึ่งว่าขาดสะบั้นลงไปหมดราวกับว่าศาสนาธรรมนี้ไม่มีเลย ทั้งที่ความแน่ใจอันหนึ่งก็ไม่ได้หักเทือนแม้นิดเดียวว่าศาสนณธรรมได้เคลื่อนย้ายจากความจริงไปแต่เพราะความติดทันความคารวะความรำงไสในองค์ท่านเป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นอยู่พระจักตาเหล่านี้ได้ร่วงลับไปจึงเป็นเหมือนกับว่าดินทลง ถ้านเนก็แตกก็จัดกระจายกันไปกว่าจะเกาะกันได้ก็สี่ปีห้าปีหลวงปู่าปขาววัดถ้ำสี่ปีห้าปีท่านถึงได้มาอยู่วัดถ้ำกองเพล่แต่ก่อนท่านก็อยู่ตามป่าทางนูน้นทางอำเภอสว่างหนูกพ่วนก็เข้าไม่ท่านไม่ค่อยติด ปูวาจาย์ทั้งหลายก็แยกย้าย ก, กันไปหลวงปู่อ่อนก็มาอยู่ที่หลวงโม บ, บานนะก็ไปอำเภอกุมภาวาแล้วก็โยกย้ายมานี่เราเองก็เราเหยียดเรียร่ยไปตามภาษีภาษาของเราแล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วท่านอาจารย์พันก็อยู่ที่นั่น อย่าว่านเกาะบรรดาพระเนนทั้งหลายน้เกาะอาศัยท่านเลื่อยมานี่แหละเรื่องครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพเคืใสร่วงลับไปแต่และองค์ระองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขาดประโยชน์ของผู้หวังพึ่งเพ่งเป็นอย่างมากทีเดียวจึงขอให้ทุกท่านได้ทำความสำนึกหรือรู้สึกไว้เสมอ ว่าสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เหล่านี้จะกระทบกระเทือนจิตใจเราในวันใดวันหนึ่งไม่สงสัยสิ่งนี้เราจะต้องพบต้องเจอณขณะที่ได้อยู่ได้ราพืชปฏิบัติจึงควรตั้ง อ, อกตั้งใจเอาให้จริงให้จังทุกอย่างแล้วการมารพืชปฏิบัติจะยากลำบากขนาดไหนให้เพิ่งทราบว่าคือการต่อสู้ เช่นเดียวกับนักมวยเขาขึ้นต่อก่อนกันบนเวทีใครจะไปพักนอนหลับอยู่ในขณะที่กำลังโชคต่อยกันอยู่นั้นมีเหรอความยากความลำบากในขณะนั้นเขาไม่ได้ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าความหวังชนะไทยชนะด้วยไทยเดียว นีการประพฤติปฏิบัติถ้าเรามาคิดถึงแง่งความลำบากลำบนเกี่ยวกับการต่อสู้กับฝ่ายต่ำเราก็จะหาชัยชนะเป็นที่พึงพอใจไม่ได้ให้คิดเสมอและคำที่จะกล่าวเวลานี้ก็เคยกล่าวอยู่บ้างแล้วว่าทำแท้นั้นไม่ได้ทำผู้หนึ่งผู้ใดให้รับความลำบากลำบน ทมที่พระุเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในแปดห0ื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เฉพาะที่เป็นธรรมซึ่งสอนโลกให้ถึงจุดที่ต้องการเป็นตามขั้นตามภูมิไปนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะมาก่อควรทำลาสัตว์โลกให้รับความกระเพื่อมหรือคุณนโม่เฮ้ยได้รับความทุกข์มากน้อย อุบายทั้งหมดที่ทรงสอนนั้นสอนเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสารโลกนี้แต่ละหลายหลายนั่นเป็นกล่องสำคัญทำแท้ท่านไม่ได้มาทำความลำบากลำคาญให้แก่ผู้ใดเลยเราจึงควรนามาคลิกมาฝังไว้ที่หัวใจเสมอว่าธรรมไม่ได้เป็นค่าศึกอะไรต่อเรา กิเลสฝ่ายต่ำต่างหากที่เป็น้าสศิษ์ต่อเราแม้การลำบากลำบนในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่เจ็ดจนกระทั่งถึงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทุกท่าที่เราประกอบความเพียนมีแต่ท่าต่อสู้กับฝ่ายต่ำทั้งนั้นไม่ได้ต่อสู้กับธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมไม่ได้เป็นฆาศิต่อผู้ใด สิ่งที่เคยเป็นค่าศึกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำตำหนิติเตียนเท่านั้นที่เราได้รับความลำบากทั้งโดยปกติที่มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราทั้งขณะที่ต่อสู้กันตระพืชปฏิบัติประกอบความภาพเพียรในอิริยาบถต่างๆวิธีการต่างๆล้วนแล้วตั้ง แต่เป็นวิธีการต่อสู้กับฝ่ายต่ำซึ่งเป็นความทุกข์เพราะฝ่ายต่ำนั้นเป็นต้นเหตุทั้งเป็นผลเหยียบย่งทาลายจิตใจทั้งเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้หรือเราต่อสู้กับมันเพื่อถอดถอนมันออก็เป็นความทุกข์ทำแท้ไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่พูกหนึ่งผู้ใดเลย เราจรึงอย่าให้กิเลสทั้งหลายมาคว้าเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไปเป็นเครื่องมือแล้วย้อนกลับมาทําลายเราเสียสิน้นโดยหาคุณค่าไม่ได้ในวงนักปฏิบัติหรือว่าเสียท่าอย่างแหลกอย่างเหลว อ, อย่างเลว อ, อย่างร้ายหาจุดที่หมายไม่ได้เลยในวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องอินสี่ห้า ซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบยากย้ายผันแปรระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะยื้อแย่งแข่งดีกันนำธรรมเหล่านี้ออกไป้ายเป็นพมบัติของตนแล้วมาทำลายเราและมาส่งเสริมเราในอินทรีย์ห้านั้นคืออะไรศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาศรัทธานั้นส่วนมากแม้พระพุทธเจ้าจะประกาศสอน อยู่ต้งๆเลื่อยมาก็ตามว่าศรัทธาคือความเชื่อท่านหมายถึงความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่อความสัตว์ความจริงท่านไม่เชื่อไม่ให้เชื่อตามความจ้องปลอมอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงแต่จิตใจเราหาได้ทราบไม่ว่าศรัทธานี้ความเชื่อนี้ได้ถูกกิเลสเอาไปขยาย่ำยีแคจนแหลกตัวเราหาทราบไม่ไม่แม่นี่เดียวไม่ทราบ มันเชื่อความรู้ความเห็นความได้ยินได้ฟังอันเป็นเรื่องของกิเลสรุ่นๆมานานเท่าไหร่แม้ขณะปฏิบัติอยู่เวลานี้มันก็เชื่ออยู่อย่างนั้นอย่างฝังใจที่เราไม่ทราบว่ามันฝังใจถ้าเราไม่เชื่อการเห็นการได้ยินอันจะให้เกิดความนักความชางังความเกลียดความโกรธเราจะไปสนใจฟังดูมันอะไรฟังมันทาําไม คิดเรื่องของมันทํำไมเรื่องของกิเลสก็ทราบว่าเป็นกิเลสแล้วมันผิดผลดีขึ้นมาให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนมันไม่มีแต่ใจมันก็เชื่อของมันอยู่อย่างนั้น ท, ทั้งที่ทําฉุดลากขึ้นมาให้เชื่ออัดเชื่อทา ม, มันก็ไม่ยอมเพราะเหตุที่ไม่ยอมไม่ใช่เราตั้งใจแข็งกระด้างหรือต่อสู้ทำแต่เพราะเรื่องของกิเลสที่มันมีอานาจ ใช้ในจิตใจครอบหัวใจอยู่มากพาให้ต่อสู้ธรรมหรือมันเสีเองเป็นผู้ต่อสู้ธรรมคัดค้านทรรลบล้างธรรมจึงเป็นการลบล้างความเชื่อของเราที่มีต่อธรรมให้กลายเป็นความเชื่อต่อมันเสียทั้งทั้งสิ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวนี่นี่แหละศรัทธาความเชื่อกิเลสเอาไปใช้มันใ่าอยู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้ อันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเชื่อได้ง่ายมันไหลไปเลยอยู่ปกติมันก็เป็นกระดาษซึมอยู่นั้นตลอดยิ่งมีสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์ก็เหมือนกับเพิ่มเชื้อให้ไฟมันจะแสดงเปลวขึ้นทันทีเห็นได้เห็นได้ยินเรื่องอะไรก็ตา่างมันจะเพิ่มตัวมันขึ้นไปความเชื่อ น, นี้นี่ศรัทธา เราฟังกันอย่างดาดื่นว่าศรัทธาความเชื่อหมายถึงเชื่อทําโดยถ่าเดียวแต่เราลืมถึงเรื่องความเชื่อที่กิเลสที่ความเชื่อในฝ่ายธรรมนั้นถูกกิเลสเอาไปเป็นเครื่องมือข้องมันมาสังหารเราเราไม่ได้คิดจึงขอให้พากันคิดสะดุดใจหากยังไม่คิดก็ให้คิดเสียในวันนี้ วิะมันนักเพี้ยนอยู่โดยหลักธรรมชาติของกิเลสพาให้เพียนพออกพอใจเพียนนำมาคิดมาอ่านใจตรองอยู่เช่นนั้นมาเข้ามาคืนในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมานานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าเป็นของเก่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆสดสดร้อนๆไม่มี สิ่งใดที่กิเลสผิดขึ้นมาได้ผ่านพ้นไปแล้วว่านานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนมันเป็นของดสดๆร้อนๆเพี่ยนคิดเพียนอ่านโดยเราก็ไม่รู้ว่าเราเพียนแต่หลักธรรมชาติของมันมันเป็นอัตโนมัติเพียนไปในตัวของมันเพราะกิเลสดีเส้นบรรทัดมาแล้วบังคับให้เดินไปตามเส้นบรรทัดพากใสให้ไปตามนั้ น, น, นเราก็ไม่รู้ สติก็เหมือนกันมันลเลอกไปในเรื่องของกิเลสเกียทั้งมวนพรากิเลสเอาไปใช้ทีนี้จะพูดย่อยอๆเข้าไปโดยลาดับไม่ใช่คนบ้าคนที่ทำความชั่วช้าลามกทั้งหลายย้อนเข้ามาถึงฝ่ายที่เบาบางกว่า น, นั้นเกาะคนธรรมนาเหล่านี้คิดชั่วได้สบายๆพูดชั่วได้สบายสบาย ถึงไม่ทําชั่วอย่างหนักก็ทําชั่วอย่างเบาได้อย่างสบายๆเป็นคนขาดสติเมื่อไหร่คนไม่ได้ขาดสติมันมีสติแต่สตินี้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแล้วทางหลักธรรมท่านไม่พูดว่าเป็นสติที่ชอบทำไม่เรียกว่าสัมมาสติมันเป็นมิจฉามิจฉามาเลยเพี้ยนศรัทธาก็มิจฉาศรัทธาวิริยะก็เป็นมิจฉาไปด้วยกันสติก็เป็นมิจฉาก็าใช้ไปในทางกิเลส ท่านไม่นำมาพูดเฉยๆต่หลักธรรมชาติสิ่งใดที่ผิดจากธรรมมันเป็นมิจฉาได้ทั้งนั้นแต่มันเป็นสัมมาของกิเลสมันเอเราก็เป็นตัวกิเลสทั้งตัวใจทั้งดวงมีแต่กิเลสปกคลุมหุ่มห่อไว้เสียมจนมิดไม่มองเห็นใจเลยมีแต่กิเลสออกทำงานทั้งภายในภายนอกเราจึงไม่ทราบนี่แหละหลักสาคัญ สมาธิก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของโลกของสงสารเรื่องของกิเลสแล้วมันมั่นใจมันไม่ย่อหย่อนอ่อนข้อมันไม่กลัวเป็นกลัวตายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมทั้งขาแร่างกายลืมคุณงามความดีไปหมดเพลินไปตามนั่นแหละมีความแน่นหนามั่นคงทางการข้นขวายเพื่อผล งานของกิเลสมันควันขวาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสมาธิในทางเหตุกิเลสพาให้เป็นกิเลสพาให้หมุนกิเลสพาให้สอกให้แสวงด้วยความพออกพอใจผลก็ปากฏเป็นความฝังจมอยู่ภ า, ายจในจิตใจเหมือนไฟไหม้แกรกอย่างน้อยก็เป็นเหมือนไฟไหม้กองแต ก, กมันสมอยู่งนั่ น, น, นผลของ กิเลสจแสดงออกไปมันเหนียวแน่นมั่นคงมากมันไม่ได้ว่าแวกความแคลนเหมือนสมาธิธรรมที่เริ่มต้นเริ่มในขั้นปรากฏในขั้นเริ่มแรกแยกออกไปให้เป็นมิจฉาที่ว่าให้เป็นสมาธิไปในทางของกิเลสปัญญากับความเฉลียวฉลาดคนชั่วมันเป็นคนง้วเมื่อไหร่คนอุบายพิษแพงเปลีปล่ยนแปลงที่จะ ให้เป็นไปตามความทั่วโดยที่เจ้าตัวว่าเป็นของดีเพื่อตัวเองมันมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมากเช่นอย่างนักล้วงกระเป๋าดูสินักต้นนักกี้นักคดนักโกงนักขีดนักไถเ่ื้อนแล้วทั้งแต่พวกที้ฉลาดหากินทั้งนั้นนี่ปัญญามันไปทา้งนั้นเสียนี่เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปใช้พาละหานกิเลสเอาไปทรงหนุ เอาไปถ้าหลงเสียหมดเชื่อพละห้าหรืออินทรีห้าพละก็แปลว่ากำลังแปลออกแล้วอินทรีก็คือความเป็นใหญ่ถ้าเรานำมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงจะมีกิเลสตัวใดเล่าเนื้ออำนาจของศรัทธาวิริยสติสมาธินี้ไปได้ต้องพังไปหมดไม่มีเหลือเลยศรัทธาเราเชื่อต่อมรรคผลนิพพาน มีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นต่อการกระทำของเราเพื่อให้ทะลุปุปร่งไปถึงจุดที่หมายปรายทางได้แก่ความพ้นทุกข์ถ้าลงศรัทธาได้อย่างถึงขนาดนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามเลยวิริยะก็เหมือนกันตามกันไปเลยสติมาักพอใจระลึกในหน้าที่การงานของตนเพื่อความถอดความถอนสมาธิอะไรจะมั่นคงยิ่งกว่าสมาธิทางด้านธรรมะดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่เช่นนั้นมีความมุ่งมั่นต่อ ง, งานของตน นี่สมาธิในทางเหตุของการบาเพ็ญเดินจงกรมก็มีพี่เลี้ยงทำทั้งห้านี่เป็นพี่เลี้ยงของความเพียรอยู่ตลอดเวลาศรัทธาบิรญาสติสมาธิสมาธิทั้งฝ่ายเหตุสมาธิทั้งฝ่ายผลเป็นต้นเป็นลำรวมคืนเป็นอันเดียวกันไปฝ่ายเหตุได้แก่การบาเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยไม่ลดละไม่อ่อนข้อย่อหย่อนกำลัง ผลก็คือความสงบเย็ยนใจปรากฏขึ้นมาเรื่อยปัญญานําออกใช้อะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาในาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญาที่โลกเอามาใช้ที่จะใช้กันอยู่ทั่วไปนี้มันเป็นปัญญาของกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบเวลาขุดค้นเวลาพาดฟันกิเลสเจ้าปัญญาของ กิเลสไปฆ่ากิเลสมันฆ่ากันไม่ได้มันฆ่ากันไม่ลงนอกจากเป็นมิตรเป็นสหายหรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสให้มีกําลังมีความเฉียวฉลาดมากขึ้นทอนนั้นต้องเป็นปัญญาที่ผุดขึ้นมาจากกงศัมผูคือผู้รู้จริงเห็นจริงรู้โดยลําพังพระองนเองไม่ได้คิดไม่ได้คน้นหรือไม่ได้ไปศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดามาเลยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงขุดค้นขึ้นมาโดยลําพังพระองค์เองจึงเรียกว่าเป็นปัญญาธรรมล้วน น่าสามารถปราบกิเลสให้ราบเรียบไปไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือปัญญาฆ่ากิเลสอะไรจะยิ่งกว่าปัญญาปัญญาของกิเลสเราก็เห็นกันทั่วโลกอยู่แล้วปัญญาของธรรมจุล เ, เครื่องฆ่ากิเลสมันเป็นปัญญาประเภทใดเอาขุดค้นขึ้นมานักปฏิบัติเราจะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่ว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโก จะได้ทราบประจากภายในใจว่าปัญญาที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทใดไม่ใช่ปัญญาที่เราไปหยิบออกมาจากตำรับตำลาเราไปฟังมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นเป็นเงื่อนหนึ่งของปัญญาหรือเงื่อนหนึ่งของธรรมเช่นเงื่อนหนึ่งของศรัทธาเงื่อนหนึ่งของสมาธิที่ท่านอธิบายไว้เง uhm. <awful. S 1> ื่อนหนึ่งของสติเงื่อนหนึ่งของปัญญาเท่านั้น แต่เวลาจะเอามาเป็นสมบัติของตนจริงๆสัทธาก็เป็นขึ้นในตัวเองวิริยะสติสมาธิจะมา่งถึงปัญญาไปเอ็นขึ้นพนาจิตซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นเลยหากเป็นขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของธรรมเป็นผู้ผิดผู้ผิดผู้ค้นขึ้นมาผิดแต่กับเรื่องของโลกเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ ปฏิบัติโดยอาศัยหลักธรรมที่ฉันสอนไว้นั้นมาเป็นปากเป็นทางแล้วให้ปุ้ยเขียขุดค้นขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองนี่เนี่ยเป็นสติเป็นปัญญาเป็นธรรมแท้เป็นสิ่งที่ควรแก่การปราบยิเลศทุกประเภทให้เรียบรากลงไปโดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นสยามภูทั้งนั้นทรงสามารถขุดค้นขึ้นมาโดยลาําพังพองค์เองที่โลกทั้งหลายไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นไม่เคยพบเลยพระสติปัญญาเหล่านี้ แต่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เองควรจากการปราบวิเดห์ให้เรียบร้ไปได้จนกลายเป็นศ า, ส, าสดาขึ้นมาในสาวกทั้งหลายที่มาสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังได้ยินได้ฟังเงื่อนต้นเงื่อนปลายพอเป็นปากเป็นทางจากพระพุทธเจ้าเสียก่อนแต่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวมากตัวผลของสาวกนั้นๆ เพียงเป็นเงื่อนหนึ่งที่สาวกทั้งหลายจะได้หยิบยกขึ้นเป็นปากเป็นทางถ้ายกให้กองเรียกว่าทำทั้งดุนให้ไปจริญในตัวเองด้วยการปุตค้นด้วยการพินิจพิจนารณาด้วยความภัคเพียรด้วยควาอุตสาห์พยายามตัวเองแล้ะทำทั้งหลายจะปรากฏขึ้นโดยลำพังตนเองเพราะความสามารถของตัวเองคําว่าสมาธิที่มีอยู่ในแบบในสําหรับตําลาเป็นชื่อเป็น ปากเป็นทางวันั้นก็จะปรากฏขึ้นที่กายอ๋อนี่สมาธิแท้เป็นอย่างนี้นี่เป็นของเหล่านั้นรู้แล้วสมาธินั่นเป็นปากเป็นทางสมาธินี่เป็นองค์ของสมาธิแท้เป็นเนื้อเป็นหนังแท้เป็นตัวจีนแท้นั่นจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ปรากฏขึ้นกับตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบภายในตัวเองเป็นผู้เสวยผลมากน้อยจิตจะเกิดขึ้นจากสมาธิของตัวเอง นี่เป็นตัวของตัวเป็นเนื้อหนังของตัวแท้โดยลำหนับลำดาการขุดค้นด้วยปัญญากเหมือนการท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่เอาเรื่องของท่านมาคาดมาหมายมากางไวเหมือนแผนที่ยึดหลักนั้นแล้วก็เอาหลักนั้นมาเป็นวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของตัวเองให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมานิเลศไม่ได้มีอดีตอนาคต เอาสติปัญญาไปเป็นอดีตอนาคตจึงไม่ทันกันจึงต้องลงในปัจจุบันสมกับกิเลสเป็นหลักธรรมชาติของมันคือปัจจุบันอยู่ภายในจิตใ จ, จมาตั้งกับตั้งกันไม่เคยคําว่าเสื่อมวัฏฏายก า, ารนั้นสมัยนี้ไม่มีในกิเลสแต่มันมีอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาอาการลิกกรกิจอาการลิกรธรรมของธรรมกับอาการิกรกิดของกิเลสมันก็มีเหมือนกันถ้าหากเราไม่ถอดไม่ถอนมันออกเมื่อไหร ที่จะให้มันหลุดลอยไปจากใจเราโดยไม่ได้ประกอบความภาคเพียรด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างไรก็กลับไหนกันนั้นถึงไหนถึงกันเกิดตายอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับมดแดงตายขอบดงจะตายไปเท่าไหร่จนกระทั่งมดแดงตายขอบดงก็ไม่มีสิ้นมีสุดมันเป็นวงกลมของมันอยู่เช่นนั้นอันนี้เรื่องของกิเลสพาให้ปิดมันหมุนก็หมุนอยู่เช่นนั้นเหมือนกัน ไม่มีคำว่าเงื่อนต้นเงื่อนตายไม่มีคำว่ากิเลสจะมีอีกความอิดหนานอาใจไม่มีคำว่ากิเลสจะมีความชราข่ําค่าตาฟ้าตาฟางหูหนวกตาบอดฟันหลุดฟันถอนสกลกายทุโหรทุทุกเอผลภาพไม่มีในกิเลสกิเลสทันสมัยตลอดเวลาเชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลาจึงหาอะไรมาปราบไม่ได้ นอกเหนือจากทำที่อย่างเดียวเท่านั้นนะมาใจไม่เรียกว่าเป็นปัจจุบันดูอย่างไรเล่าจิต ด, ดวงไหนจะไปเกิดที่ไหนก็ออกจากความบงการความฉุดความล่าของกิเลสเท่งนั้นกิเลสล่าสมัยเมื่อไหรพอที่จะไม่ทันจิต ด, ดวงดวงใดดวงหนึ่งแล้วเล่นรอดออกจากตัวไปได้มีที่ตรงไหนไม่เคยมีกิเลสต้องครอบไว้ทุกหัวใจเว้นเดียวแต่ใจที่ มีธรรมมีอำนาจเหนือกว่ากิเลสปรากิเลสให้หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาของขกิเลสเพราะไม่มีกําลังท่านทานกับทําได้เท่านั้นกิเลสถึงจะยอมจํานนที่ใช้กิเลสมันมีกําลังบางชาแน้อยไม่ทันกับเหตุการณ์ไม่ทันกับจิตของสรรโลกแต่และดวงดวงนี้ไม่มีเพราะดูในใชนั้นแล้วลากแก้วรากป้อยของข ก, กิเลสก็ฝังที่ใจนั่นแล้ว ม, มันกล้าเคลื่อนไปที่ไหนจะเอาการเอาสมัย ที่ไหนมาทำลายมันได้มันไม่ใช่การนั้นไม่ใช่สมัยมันคือกิเลสมันสังอยู่ภายในจิตใจด้วยมาจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วนําไปคิดนําไปอ่านอย่าดูเฉยเฉยถ้าอยากจะรู้จะเห็นตามธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี่แหละ ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำํำท่าสอนให้พอเป็นปากเป็นทางแล้วเรานําไปปฏิบัติส่วนผลที่ได้ในขณะที่ฟังนั้นเราก็ยอมรับเพราะตอนนั้นจิตเป็นหลักปัจจุบันจิตเป็นปัจจุบันพอฟังภาพก็จับได้ทันทีและแก้กิเลสไปในขณนะนั้นขณะนั้นนี่เป็นภาพปฏิบัติภาคหนึ่งและแม้ปฏิเสธไม่มีภาพปฏิบัติใดจะยิ่งไปกว่าภาพปฏิบัติที่ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ในขณะที่ท่านอบรมด้วยความถูกต้องแม่นยํานั้นเลยเพราะฉะนั้นสาวก หรืพุทธบริษัททั้งหลายจึงปรากฏว่าได้บรรลุธรรมต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากนั่นคือเป็นภาคปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้วแก้ที่เหลืไปนในขณะนั้นสดสดร้อนร้อนเป็นสรรพติโกเพราะสติก็เจาะปัญญาก็เจาะ อ, อยู่ที่ตรงนั้นเป็นภาคปฏิบัติที่ตรงนี้นทำก็เป็นธรรมาปัจจุบันและเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนอย่างถูกต้องแม่นยาด้วยผู้ฟังซึ่งมุ่งความจริงอยู่อย่างล้นหัวใจแล้วทําไมจะไม่เจอของจริงต้องเจอเมื่อเจอต้องรู้ต้องเห็น ปูนนั้นสำเร็จคันนั้นปูนนั้นสำเร็จคันนั้นคันนั้นคันนั้นเป็นจํานวนมากมายเพราะเหตุผลลงลอยกันความจริงต่อความจริงเข้ากันได้สนิทพระพุทธเจ้าก็สอนจริงถูกต้องมัน่นยาผู้ฟังทั้งหลายก็ฟังเพื่อความรู้ยิ่งใหญงจริงทําไมจะความจริงจะเข้ากันไม่ได้นี่เมื่อหลัก ป, ปัจจุบันเข้าถึงกันแล้วที่เรศมันจะปัจจุบันขนาดไหนมีรากแก้รากฝอยลึกขนาดไหนมันก็ทนปิปัญญา ที่จะฟาดฟันหันแหลกหรือถอนพวดขึ้นมาไม่ได้นี่แหละที่มาพุทธบริษัทได้ฟังธรรมจากภุริเจ้าในบรรลุมังผลอิปานคือเป็นภาคปฏิบัติภายในจิตโดยเฉพาะนี่เป็นภาคหนึ่งภาคต่อไปก็คือเรานำเหตุนำผลนำเงื่อนของท่านที่อบรมสั่งสอนแล้วไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองคิดก้นขึ้นมาฝึกหัดอย่าอยู่เฉยเฉยสติปัญญามีที่จะนำมาใช้ไม่ได้จนกรอกเรมนุษย์เราไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ ยิ่งมีธรรมเป็นเครื่องมือด้วยแล้วมันก็ยิ่งเบิกทางให้ผู้มีความสนใจใคล่ต่ อ, อัดต่อธรรมคล่ต่อความพทุกข์คลาได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ก็เห็นจะเห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาเพราะอํานาจของส ต, ติปัญญาจากการค้นคว้าของเรานี่แหละขอให้ทุกท่านในลงใจในการประพฤติปฏิบัติจะไม่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้เลยจะเป็นขึ้นภายในจิตใจสดสดร้อนๆสิ่งนี้จะไปเหมือนอะไรอืม สติก็ดีปัญญาก็ดีผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาในปราบกิเลสลงไปโดยลําดับก็ดียังไม่มีอะไรเหมือนจึงเรียกว่าสันติที่กลสันติกวัวคือเฉพาะเฉพาะเท่านั้นจะพูดอะไรออกมาก็ไม่ถูกแต่ประจกักรอยู่กับใจโดยลําดับลําดาที่จะสัมผัสสัมพันสตามเพราะการมาพปฏิบัติเพราะกิเลสขาดลงไปขาดลงไปขาดสะพั่นลงไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธดหลุดทนไม่ได้ถามใคร ไม่ได้สงสัยเป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์ขึ้นภายในจิตใจมีหลายผู้ริจ้ายและสาวริจ่ายท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านไม่ได้รู้ได้เห็นแบบลูกโลกอ่ะ โ, โลกเป็นโลกใครรู้ก็เหมือนกันหมดเรื่องของโลกทำนี่ใครรู้ก็เหมือนกันหมดไม่ต้องไม่ได้ถามกันให้เสียไปแล้วไม่ล ะ, ละมันเหมือนกันหมดตาหูจมูกเลี้ยงกายสัมปัตสัมพันธ์ทางโลกเขาก็ไม่ถามกันเหมือนกันนี่ จิตสัมผัสสัมพันธ์ทขั้นใดก็ตามก็ไม่ได้ถามการท่านจึงม่ท่านจึงว่าสันติโกสันธิโกเป็นโดยไปโดยลําดับตั้บแต่ทําขั้นยากก็เป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะตัวโดยแท้โดยแท้จนกระทั่งถึงความโดยสุดสุดส่วนก็เป็นสันธิโกสุดส่วนเหมือนกันสุดท้านษก็ว่าประจนานตังเวิสบูวิยูหีคนโง่จะไปรู้ได้ยังไง ร, รู้ทําประเภทเหล่านี้นะ่ะท่านจึงว่าท่านผู้รู้ทั้งหลาย รู้จำเพาะตนกันมวินยูหินั่นอันท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนปันจะตังคือปตัตติจะพาะแยกออกไปท่านอะ่รงั้นนะ่ะ ท, ทางประยาทท่างหอกปัตติคือรู้จำเพาะตนเวลามาศึกษาให้พากันตั้งอกตั้งใจ ไห้ดียาชินชามันจะกลายเป็นหน้าด้านไปนะเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กล่าวมาเหล่านี้เราเป็นนักต่อสู้อยาให้หญิงคนนี้ก็ามาแอบตัวเราได้นอนอยู่กส็สู้ถ้าเป็นผู้เห็นภัยจริงๆกิเลสมันฆ่ามันตีเราได้มันทรมานเราได้บีบคับ้นเราได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ได้โยมวิยาบุตรใดสู้ได้ทั้งนั้น ไม่มันมาแยมได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆต้องเอาให้จริงถ้าอยากหลุดพ้นเรื่องเกิดเรื่องตายตายเกิดตายสูญนี่พูดอย่างอาจผานความรู้เท่าหนูนี่ก็าตามไม่สะทกสถานเพราะประกาศกัางวันอยู่กับใจดวงนี้เวลามันจับ เงินตัวเงินตายไม่ได้เหมือนคนบ้าทั้งๆที่มีสติอยู่ก็เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจของเราเองการปฏิบัติขี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกโดยลําดับลําดาตั้งแต่ความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจนจะเป็นบ้าก็เห็นก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นผู้เป็นใช่เองก็ได้รู้ได้เห็นกับตัวเองเวลามาสะเกียรตะกายล้มลุกคุกคานก็รู้อ้าวจนกระทั่งถึงตั้งตัวได้ในขั้นนึ่มแหลกถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับว่าตั้งไขได้ กิดเป็นสมาธิกิจสงบเมื่อสงบไปเห็นนัเหลือเนี่ยก็รู้จนกระทั่งตั้งเมื่อตั้งตัวได้ตนะั้งสมาธิเป็นที่แน่ใจก็รู้นั่นนี้เนี่ยก็ค่อยรวมตัวเข้ามาที่มันกระจายออกไปอนอกขอบเขตุจักรวานซึ่งไม่เคยเห็นมันก็ไปเห็นเห็นด้วยความสัญญาอารมณ์ด้วยความมั่นความคาดความหมายของขี้เหร่นั่นเนี่มันก็รู้ที่เวลาหดตัวเข้ามาก็รู้ จนกระทั่งพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงด้านสมาธินี้เราจะรู้ได้แต่เพียงว่านี่เป็นจิตนั่นเป็นส่วนร่างกายแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ยังไม่แจ่มสิ่งที่แจ่มแจ้งก็คือระหว่างกายกับจิตกายเป็นอย่างหนึ่งความรู้ที่อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้เป็นอย่างหนึ่งนี่เรื่องสมาธิก็ทําให้ทราบแล้วว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอย่างหนึ่งพอ กล้าขอด้านปัญญาพิจารณาร่างกายค้นหาความจริงในทางร่างกายทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มทติกําลังความสามารถจนไมีที่อะไรที่ใดเป็นที่สงสัยแล้วก็ทราบได้ชัดว่าร่างกายทุกส่วนนี้เป็นเรื่องของาธาตุทั้งนั้นอาการใดก็คือก็คือก็ก็คื อ, คอาาธาตุธาตุสีดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟรอบหมดทั้งตัวรู้ได้ชัดรู้จนกระทั่งอิ่มพอ ในความรู้ไม่อยากรู้อยากเห็นยิ่งกว่านี้ไปอีกพอพอตัวแล้วนัดถอนตัวออกมาจิตก็ยิ่งมีความละเอียดเมื่อจิจถอนตัวมาจากส่วนร่างกายนี้แล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องร่างกายคนคนอื่นสัตว์อื่นว่ามันจิตมันเคยไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือวิธีอย่างไรอันเป็นเชื่ อ, องโพกแข็งชาติที่จะให้เกิดให้เกี่ยวพันกันทําไมจะไม่รู้เวลามันขาดจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขาดจากเรื่องของส่วนหยาบๆทั้งหลายเหมือนกันหมดเนีย่ยก็รู้ นี่เรื่องเวทนาจิตสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการของจิตเมื่อจิตมีถึงขั้นละเอียดแหลมคมแล้วทำไมจะไม่รู้นี่เป็นเพียงว่าอาการอาการระวังอยู่มันเป็นจิตเมื่อไหร่หมามาตรงไหนจำอะไรได้มากน้อยมันก็ลืมไปลืมไปดับไปดับไปดับไปพร้อมๆกันต้องการจำก็ปรุงขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาใหม่จาใหม่ลืมไปเรื่อย ความคิดความปรุงก็เหมือนกันมันเป็นมันอยู่เช่นนี้แต่เราไปตื่นไปหลงมันจะเฉยไปยึดมันจะเฉยเมื่อปัญญาดั่งเข้าไปถึงความจริงแล้วทุกส่วนทุกอย่างมันไม่มีความหมายในตัวของมันเลยแต่เราไปให้ความหมายมันอีกต่างหากเราถึงได้หลงกับกิเลส น, นั่นละพาให้หลงพาให้หลอกเี่ยถึงได้หลงทราบชัดเข้าไปนี่การพิสูจน์เรื่องเกิดเรื่องตายตายเกิดตายสูญในหลักปฏิบัติ พิสูจน์อย่างนี้จะไม่สงสัยมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนดวงก็ตามถ้าได้ลงได้รู้อย่างนี้แล้วประกาศตนเองได้เลยประกาศอย่างที่ว่าไม่อยากอวดประกาศตามความจริงไม่สะทกสถานเป็นอะไรไปเมื่ปัญญาได้หว่นล้อมเข้าไปหว่านล้อมเข้าไ ป, า ม, าไปมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องอะไรที่ใช้เกิดพวาะกดชาติส่วนหยากก็รู้ตัดขาดเข้ามาตัดขาดเข้ามาจนกระทั่งถึง ลากฝอย อ, อืคืออาการทั้งสี่เวทนาสัญญาสั้งขามืญญาินหยาดพิจารณาเข้าไปตรงไหนมันก็มีแต่อาการอาการฟังจะว่ารากฝอยลากฝอ ย, ฝอยมันเป็นต้นของมันเมื่อไหร่อืมันลากมันตัางหากค้นเข้าไปหลายครั้งหลายหจนจนกระทั่งรู้แจ้ ง, จงเห็นจริงหาสงสัยไม่ได้แล้วลากฝอยก็ทราบชัดว่าลากฝอยปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันเอาลากแก้วมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละมัน จิตพิสูจน์ตัวเองเข้าถึงจิตระที่นี่นาคแก้วมันฝังยุนกองกลางจิตออตัวจิตทั้งดวงเป็นนาคแก้วของมันทั้งนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสอวิชชาทั้งมวลนี่แม้สติปัญญาที่เป็นมาอย่างเตียงไกลก็ยังหลงเพลงของมันได้แต่สติปัญญานี้ไม่หลงนานเพราะถึงหลงก็หลงเพื่อจะรู้ไม่ได้นอนใจเหมือนทั้งหลาย พิจนาแยกแยกเข้าไปละเอียดเข้าไปเท่าไรก็รู้ว่าจิตนยังจะเกาะจะเกี่ยวในภพในชาติอะไรอีกก็รู้นะดังที่พระอนาคาท่านว่า้าไรเกิดในภพมาโลรรคเชื้อที่จะให้เกิดในภพนั้นมีต้องเกาะอยู่ที่นั่นก่อนภาคอยู่ที่นั่นก่อนจนกว่าจะผ่านพ้นไปได้นี่เชื่ อ, องความเกิดมันมีอยู่ในจิตภูมินี้อืภูมิหยาบเช่นกรรมกิเลสมันถอนตัวไปหมดแล้วร้างจากบ้านจาก เรือนคือกรรเมื่อี้เดือดไปหมดแล้วมันก็ยังไม่ล้างจากนามมาทําพิกินาตามเข้าไปตามเข้าไปเจนกระทั่งไปทําลายกันได้หมดแต่าบธรรมเ้าจะแหลกไม่มีอะไรเลยลากแก้วที่ฝังอยู่ภายในจิตใจถูกตะาะธรรมแผดเผาละลายชิบหายผุ่มปีไปหมดไปยังไงที่นี่เกิดไหมไม่ต้องมาไปถามใครก็ได้เเอาอะไรไปเกิด มันมีเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันหมดนี่เงื่อนพายเกิดจ็บเจ็บตายเกิดแล้วเกิดเล่าคืออะไรก็คือกิเลสตัวอวิชานี่มันพายเกิดแล้ ว, ออกก เ, ว, ว เ, เกิดเล่าส่วนยาพาให้เกิดจุดหยาบส่วนละเอียดพายให้เกิดละเอียดเช่นโคมโรโรคห้าชนอวิหาอัตปาตุล า, าสีกณิฐานนี่นี่เป็นพภพยาเพราะจิตตรงนี้หยาบเหมาะกับภูมินั้นต้องไปภูมินั้นไม่ไปภูมิอื่นไปภูมิอื่นไม่ไม่ได้ไม่ไป เหมาะสมกับภูมินั้นต้องไปภูมินั้นเมื่อไม่เหมาะสมกับภูมิใดเลยไม่สมควรก็บที่จะไปอยู่ในภูมิใดเลยก็ขาดสะบั้นไปเลยถึงนิพพานนั่นมนุษย์อย่างนั้นที่นักปฏิบัติถ้ามันจริงมันจริงที่ท่านพระพุทธเจ้าประกาศความจริงมาได้สองพันารปีนี้แล้วสําหรับองค์ปัจจุบันของเราทุกวันนี้ไปยังไงหูหนวกตาบอดใช้ ย, ยิเลสนําไปกล่อบไปหมดเอาไปถลุงหมดแล้วหรือตาของเราก็มีเหมือนตาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย หูจมูกลิ้นกายของพวกเราก็มีเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายชาติปัญญาของเราไม่มีเหลือที่คิดขึ้นมาตามหลักธรรมที่ท่านสอนว่าให้คิดให้อ่านนี่มันไม่มีบ้างเหรือทํำไมไม่คิดกิเล็ดมีอยู่มันท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาฟันลงไปใช่ให้มันเห็นสิเรื่องตาเกิดตาสูญมันเป็นยังไงให้มันเห็นให้ผู้ที่เจ้าพาเห็นพาลู่นั่นแหละดียิ่งกว่าขี้เล็ดพาให้รู้พาให้เห็นขี้เล็ดพายลู่ให้เห็นมันปิดตาให้เห็นเมันปิดจมูกให้ดมฮ มันปิดใจให้คิดเพราะฉะนั้นใจจึงบอดจึงหนวกตาจึงบอดจึงหนวกทั้งทั้งที่ตาดีหูดีเนี่ยถูกกิเลสมันปิดไว้หมดมันก็ไม่เห็นตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ให้มันหลอกยุ่มี่กับขีกันแล้วนี่เนี่ยตัวหลอกอย่างเต็มเป่าหลอกอย่างไม่เเส็จคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่แี้ะมันลหลอกตลอเวลาพอเปิดหน้ากามขึ้นแล้วอะไรพาให้ศูนย์มะเนี่ยตัวกิเลสเองมันก็ไม่ได้ศูนย์นี่เอ้ยมันอยู่นหัวใจนั้นแต่มันหลอกว่า ตาแล้วศูนย์ถ้าว่ามันศูนย์จริงๆกิเลสมันทําไมไม่บันลายมันอยู่ที่หัวใจถ้าใจนั้นศูนย์ไปจริงๆนี่ตอนที่มันศูนย์โดยสุดกิเลสพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกิจมันศูนย์ที่ไหนแหมบริสุทธิ์น่ะนั่นถ้าศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์เห็นชัดชัดผู้ชดชัดหนี่สันทิปโกนึงถ้าจะว่าศูนย์ยอดก็ศูนยอยู่ตรงนี้มีกี่หมื่นกี่แสนกี่พักี่ล้านของโลกธานนี่ก็ตามเถอะจะไม่สนใจฟังเลย ก็รู้ได้ชัดว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโลกธาตุนี้ก็คือโลกธาตุที่จอมปลอมเพราะอำนาจของกิเลฒ์ทั้งนั้นไม่ได้จริงเหมือนธรรมชาติที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่เวลานี้เลย น, นั่นเอาตรงนี้ที่ยันกันนักปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นความจริงตามหลักธรรมพุทธเจ้าเนอกนั้นก็ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ประมาทผู้ใดก็ไม่ได้พิเรฒ์เอาแว่นตาดํามาใส่ปุ๊บผนันานากันไปไม่จบไม่สิน้น ท, ทั้งทั้งที่ กิเลสยียบคออยู่นั่นเยียบหมอยู่นั่นมันเอาความรู้มาจากไหนนั้นความรู้กิเลสทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ของธรรมล้าความรู้ของธรรมกิเลสต้องพังไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เห็นเอาให้รู้นะปฏิบัติธรรมะพระเจ้าสดๆร้อนๆอยู่แท้ๆกับใจนี่เราอยากได้ยินได้เห็นหมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมที่สอนมาเหล่านี้ไม่ได้สอนอย่างแบบปลอมๆแบบป่ปปาๆแบบาคาดคะเนหนานี่พูดอาถารพูดตามความจริงเลย แันว่าหานมากหรือน่อยก็ตามพูดเต็มหัวใจพอรู้มาเต็มหัวใจสลับเป็นสลับตายพอทําดวงนี้ตั้งแต่เริ่มกลับไ ป, ไปบหาครูบาอาจารย์เท่าไหรอรูบาอาจารย์ท่องเรามาแล้วฟังอย่างถึงใจแล้วเอาละที่นี่จะจริงไหมถามเจ้าของต้องจริงที่เราหาความจริงอยู่แล้วนานตั้งแต่ขณะนั้นะที่นี่เอทะนุมบอนกันกับอันนี้แหละกับธรรมชาติที่แบบตายแล้วสูญเนี่ยฟาดกันลงไปแล้วอะไรสูญมันก็ยิ่ง เห็นโทษของกิเลสร้อยเปอร์เ็น้อยปอร์็ตโอ้โหตัวจอมปลอมตัวนี้เหลอที่มีอำนาจครอบหัวใจโลกครอบข้อใจหมู่สัตว์อยู่เวลานี้ไม่มีไม่เห็นโทษเห็นภัยเลยทั้งๆั้งที่เหมือนลูกฟุตบอลนะักพิ้งไปพิ้งมาเพราะมันแตะอืกถูกมันแตกพิ้งไปพบนั่นพบนี่พบน้อยพบใหญ่เหมือนไม่มีหูมีตาเลยทั้งทั้งีงงิใจตรงนั้นก็เป็นดวงรู้แต่หาความรู้ที่จะเด ล, ลอดออกไป จากอำมาจของมันไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสลดสังเร็จขนาดไหนความกล่อมของกิเลสความแหลาคมของกิเลสที่มันหลอกหลอโลกนะ่ะมีทำเท่านั้นที่จะทําลายมันได้เปิดมากา ก, าก่าเปิดความชั่วมันให้โลกได้เห็นได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์จึงเป็นโลกธาตุวันไหวจะไม่ไหวไงกิเลสมันอยู่ในโลกธาตุนี้มันกิเลสไม่ไหวอะไรจะไหวกิเลสกลัวทําอย่างเดียวไม่ได้กลัวอย่างอืน่น ไรหมูเพื่อนตั้งใจกับพี่ปฏิบัติน่ะตั้งอย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วมันถักเป็นเองในหัวใจตรงนี้มันพูดธรรมดาธรรมดาไปได้มันไม่ถึงใจนี่นะมันออกบ้างมันเองนี่ถึงถึงอยากให้รู้อยากให้เห็นนี่นะเหมือนกับวันนี้หน้าหนี้ตาตาบอดเฉยหรืออจากพูดจากนั่นนี่นะทําไมไม่รู้ไม่เห็นมีอยู่นี่อยู่ในหัวใจนี่นะธรรมะมัชฌิมาปฏิปทามันมัชฌิมาตั้งกิ่ละเอ มัน ม, ม, มีอยู่ของมันอยู่นั้นน่ะมันเหมาะสมกับที่จะอยู่ได้มันั้งอยู่ท่นมัจจิมาของรรมก็กเหมาะสมที่จะปราบมันได้ถึงปราบมันได้เอาที่ผิดขึ้นมาด้วยเอาจนกระทั่งถึงหลักมัจจิมาธรรมชาตินี่คือควาบริสุทธิ์มัจจิมาธรรมชาตินั่นแ่ละไม่มีคําว่าเอ็นว่ายังไม่มีการสถานที่เอกากิจ อ, อ, อ, อ, อาการทกักิตอากา ร, กาากา ร, การที่กกธรรมคือธรรมาชาติอันนี้แหละมันเห็นยึดที่ใจนากกว่าทีบัติเราเลยเอาละท่นนานแลดงกำเนื่อยมากแล้วพอ Sigh